พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6กพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าปัดเมฆหมอกออกจากดวงจันทร์วันนี้เป็นวันที่6 พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6พระในวัดของเราช่วงนี้3 36รูปนะพระในวัดของเราก็มีพระมากอยู่แล้วก็วันพระนาน้านะเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นผัให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้คิดไว้เหมือนกันนะั่นแหะวันวิสาขาบูชาเนี่ยเราจะทำคุณงามความดีอะไรบ้างเราจะรักษาศีลแปดรักษาศีลอุโบสถสำหรับพระของเราก็เหมือนกันวันพระสิบห้าคำที่จะถึงเป็นวันสำคัญในวัน เป็นวันตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันประสูติตัดสู้ปรินิพานสาการคือวันเดียวกันเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพราะนั้นเราจะปฏิบัติบูชายอย่างไรในวันสําคัญยิ่งที่จะมาถึงนี้ในวันวิสัขบูชาพวกเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจ ประกอบคุณงามความดีเนีข้าพเจ้าจะภาวนาข้าพเจ้าจะภาวนาให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดข้าพเจ้าจะอดนอนข้าพเจ้าจะไม่นอนเอาเรียบทสยืนเดินนั่งหรือข้าพเจ้าจะนั่งเดิน ในอริยบทเหล่านี้เป็นต้นนะอยากจะให้พวกเราทำความภาคเปลี่ยนให้มีหนักให้มีหนักมีเบาให้อยู่กับกรรมฐาน ก, กรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำบอกกล่าวนะให้โพนาพุทธโธให้อยู่กับพุทธโธ ท, ทั้งวัน มันเผลอไป ก, ดกดไป็ดึงกลับมามันดึงไปดึงกลับมาให้อยู่กับพุทธโธให้มากที่สุดไม่ให้เผลอนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะทดลองดูซิมันเป็นอย่างไรให้อยู่กับพุทธโธกับเเ้วเราปล่อยเออเะเหยร้ลอยลมนะเราปล่อยมาพอแรงแล้ว บัดที่ให้เราอยู่กับพุทธโธนะเป็นยังไเแล้วอยากจะให้พวกพระลูกพาหลานทั้งหลายตั้งใจภาวนาเพราะสถานที่ของเราเป็นสถานที่ภาวนานะให้พวกเราเข้าไปอยู่ข้างหลังวัดดูสิเอย่ามาครกอยู่ที่หน้าวัดโรงน้ำร้อนอย่างเดียวนะไปอยู่ทั้งหลังวัดดูภาวนาอยู่นะู้น มีที่ภาวนามีที่หลีกเล่นเป็นมีที่สงบสงัดกุฏิหลังไหนที่มันว่างเราไปปัดกวาดทำความสะอาดไปดูแลมดไม่เห็น ม, นมดขึ้นมาตายเราเวลาเราไปนั่งภาวน า, อาพอไปปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยกันนะน้ำมันมันมีอยู่ในต้นเสารนะเราก็เอาน้ามันไปน้ำมันเครื่องไปจอดจอดจอดไม่เห็นมดขึ้นมาได้ เรารักษาจากนั้นเราก็ไปเปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเปลิกวิเวกไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยปิดวาจาตลอดในการทำความเพียรพูดให้น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นจะไม่พูดกับใครแล้วก็ดูใจของตัวเองตลอดตั้งจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งในวันสำคัญวันพระหรือวันสำคัญอย่างที่วันวิสาขาบูชาอย่างนี้แะนี่วิธีการสำหรับเอาชนะกิเลสภายในใจของเราถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้ขัดเกลาอะไรเลยวันไหนก็วันเก่าวันเก่ า, ก, าก็วันใหม่ อย่างเก่าผลที่สุดก็เลยกิเลสภายในใจของเราก็ไม่ถลอกปอกเปิกเลยท่านนี่มีแต่สั่งสมขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสราคะโทสะโมหะพอกพูนขึ้นเรื่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาชําระกิเลสไงทํำไมให้กิเลสพอกพูนในใจของเราเนี่ยตีหลวงพ่อพูดจุดบ่อยๆนะคิดดีทดําดีพูดดีนะีย จะทํำยังไงถึงจะชําระกิเลสได้พระพุทธเจ้าพาคิดยังไงพระราหันตสาวกพาคิดยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้คิดอย่างไรพาคิดยังไงเราก็นํำทำคําสอนของท่านนะมาปรปับปรุงกายใจของเราใจตัวของเราใจของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วมันเหมือนกับ พระอาทิตย์นะ่ยหรือพระจันทร์เนะ่ยพระจันทร์หรือพระอาทิตย์บางทีกับเมฆหมอกมาปิดบังกันหนาหมืดมิตรบางทีก็พอเลือนรางบางครั้งก็เออแจม่มใสเหมือนกับอพระหรหัตถ์มักผลที่พานอยู่แค่เอื้อมเองฮนะมันแจ่มใสขึ้นมานะ แต่พอมันโมัวขึ้นมาเอ๊ะมันเป็นยังไงวะสักไม่แน่ใจไอ้พอมันขี้เมฆขี้หมอกตัวกิเลสเขามาปิดบังจริงๆรงมืดมิดไปไม่รู้จะกระโดดไปทางไหนทีนี้เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นแต่ละขณะเหล่านั้นพวกเราก็ควรจะมากันกรองไตรตรองเทียบเคียงทำไมมันเป็นอย่างนั้น ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้พวกเราน่าจะทบทวนในการคิดการพูดการกระทำของเราถ้ามันหนาแน่นถึงขนาดนั้นเอาเถอะเออเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจเรามีสัจจะคกอความจริงจังและจริงใจเราจะชำระตัดกิเลสอยู่แล้วภายในใจของเราเราบวชมาเพื่อจะชำระกิเลสอยู่แล้วด้วยแรงสัจจะอธิษฐานของเราเนี่ยมุ่งมัน่น หลวงพ่อว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคเมฆหมอกอมันกระจายออกไปเรื่อยๆผลที่สุดก็โปร่งใสในที่สุดก็ธรรมดากิเลส ข, ของปุถุชนจะให้มันโป่งโปร่งร่งโปร่งใสยอยู่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะอนัตถายาิโยมลูกหลานนะบางครั้งมันมืดมิดปิดตาเหมือนก็ไม่เคยภาวนาะเลยก็มี แต่บางครั้งก็อืเบาบางเลือนรางก็ไม่หนักหน า, นาพอทนไหวพอสู้ได้แต่บางครั้งพลทหารอยู่เพียงแค่เอืมมักผลนิพพานทําไปสักหน่อยก็คงจะหมดกิเลสได้แต่ลักษณะอย่างนี้พอมันตึบมาอกีกมันก็มืดอกีกฮแต่ถึงยังไงถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องมีสัจจะ สัจจะอธิฐานะปรามีสัมปันโนอิติปิสโส พ, พระวาจข้าไปเจ้ามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีข้าไปเจ้าจะยืนมาอยู่จุดนี้เด็ดขาดชีวิตทั้งชีวิตของข้าเนี่ยมอมไว้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอพอมันยืนถอย ห, หลังมาเหยียบหลังเพียงฝาเลยว่างั้นเถอะ ถอยกว่านี้ไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือถ้านเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ถึงจะเมฆหมอกมามืดบางขนาดไหนก็เจะ อ, อีกสักวันหนึ่งก็ ต, ต้อง อ, อโล่งในที่สุดเพราะเหตุไดเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความ มีสัจจะในจริงมีความจริงจังและจริงใจภายในใจของเราเป็นหลักฐานอยู่แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเคยได้ผลมากรรมานบอกแนะนำสังสอนพระลูกพระหลานน้องหนุ่จจมศรัทธาญาติโยมทำอะไรถ้าเป็นคุณงามความดีแล้วเราต้องมีสัจจะมีความจริงจังและจริงใจในเรื่องนั้ น, น, น แต่กรรมฐานเคยพูดกันมาให้ภาวนาอะไรจะยึดอะไรกับยึดพุทธโธตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแแต่หลวงตาท่านก็ บ, บอกเองสมรทธะคือทำจิตใจให้สงบภาวนาพุทธโธ ท, ทำจิตใจให้สงบในเมื่อสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นทีเดียวนะั่นเป็นไปไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องฟังเอาไว้ศึกษา มันจะเกิดปัญญากระโดดไปเกิดปัญญาอะไเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แตเป็นไปแบบที่ว่ายากมากสําหรับผู้ที่มีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัญญาหว่าคิปะปัญญาเป็นพวาผู้รู้ได้เร็วอันนั้นนะพวกพวกคิปะ ป, ปัญญาถ้าว่าพวกรู้ได้ช้าพวกทันทาปัญญาแล้วก็ไม่มีทาง เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็พยายามออกจากความสงบนั้นมาพิจารณ า, าการกลองไต่ตองเหตุผลพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไวพิจารณาอสุภะปฏิกูลพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนของเร า, เ, าเป็นร่างกายอีกสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดจบของมันร่างกายนี่ยไม่ใช่ของเรานะ อันนี้ก็คือการพิจารณาทางกรรมฐานคำว่าเดินวิปัสสนาจุดว่าเมื่อทําจิตใจให้สงบนั่นคือสมัท tha จากนั้นก็เดินวิปัสสนากับพิจารณาแยกส่วนเปียบแบ่งส่วนของร่างกายนี่นะอันนี้หลวงตาท่านกับพูดชัดเจนอันนี้พวกเราก็นํามาพิจารณาน ะ, นะเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาพิจารณากระดูกนะ โครงกระดูกทําไมเราจะเห็นโครงกระดูกอ่ะก็มีหนังสือหนังสือลงตาน่ะมีอยู่เราก็ดูโครงกระดูกเป็นยังไงร่างกายของมนุษย์เป็นยังไงเป็นความจริงไหมที่เขาพิมพ์อยู่ในกระดาษอีกสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนี้ไหมร่างกายของเราเราก็เปรียบเทียบนอกแล้วก็เปรียบเทียบไหนเปรียบเทียบร่างกายของเราก็เปรียบเทียบข้างนอกนี่แหละจากนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงให้ใจยอมรับพูดง่าย ไม่ร่างกายของเราเป็นยังไงให้ใ hey, จ ย, ยอมรับพอใจ ย, ยอมรับเสร็จแล้วกับมันไม่ยึดมัน่นถือมัน่นมันมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรร่างกายเป็นลักษณะอย่างนี้อีกสักวันหนึ่งทิ้งแน่ๆ น, นะใจนะทิ้งกายแน่ๆนะใจนะนี่แหละทาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้คือเราวิปัสสนาะวิปัสสนา ค, คือการนึกคิดหาเหตุผลหักล้างกิเลสภายในใจของเรา เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะมันก็ปล่อยวางเออมันรู้แล้วนะเหมือนกับเราเขาเราคิดเลขนะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้บวกลบคูณหารเป็นยังไงบวกเป็นยังไงลบเป็นยังไงคูณเป็นยังไงหารเป็นยังไงเราไม่รู้แต่พอเรารู้วิธีการแล้วนะ เ, เราปัญญาแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วไอ้ที่เราคิดโง่ๆแต่ขาวก่อนเราก็ทิ้งหมดทั้ง นี่แหละพราะมันรู้แล้วมันก็ทิ้งจำนวนที่มันไม่รู้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแนละมันก็ปล่อยวางจุดนั้นแต่มันก็ยากนะไม่ใช่ของง่ายพูดมันง่ายแต่ยากจริงๆกิเลสภายในใจจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่ทั้งยังไงก็ไม่เหลือวิสัยตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมานะเอาต่อนี้ไปรับพรณนะตีนีนะ